พุทธรรมฉบับปรับขยายชีวิตที่ดีเป็นอย่างไรบทที่22บทความประกอบที่5ความสุขฉบับแบบแผนลักษณะ ส, สำคัญของนิพพานที่สืบเนื่องมาจากความหมายว่าดับซึ่งนับว่าเด่นน่าสนใจมีอยู่สามอย่างคือ 1. ดับอวิชชา หมายถึงการเกิดยาณัทัสนะอันสูงสุดอย่างรู้สัจธรรม 2. ดักกิเลสหมายถึงกำจัดความชั่วร้ายและของเสียต่างๆภายในจิตใจหมดเหตุที่จะก่อปัญหาความเดือดร้อนวุ่นวายต่างๆแก่ชีวิตและสังคม 3. ดับทุกขหมายถึงหมดความทุกข บรรลุความสุขอันสูงสุดเฉพาะลักษณะที่สคือความสุขหรือความดับทุกข์สิ้นทุกนี้แม้จะได้ย้ำไว้บ้างแล้วในตอนว่าด้วยภาวะจิตของผู้บรรลุนิพพานแต่ยังมีข้อที่ควรศึกษาเป็นพิเศษอีกบางอย่างจึงนำมากล่าวเพิ่มเติมไว้ตังหากณที่นี้ความสุขมีความสาคัญมากในการปฏิบัติธรรมตา ม, ตามหลักพระพุทธศาสนา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 แต่ก็กลับเป็นความสุขที่ประณีตยิ่งขึ้นไปอีกซึ่งเรื่องนี้จะบรรยายต่อไปจุดหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนาคือนิพพานก็เป็นความสุขและเป็นบรมสุขคือสุขสูงสุดด้วยนอกจากนั้นจุดหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนาที่เป็นบรมสุขหรือโพธินั้นก็พึงบรรลุได้ด้วยความสุข หรือด้วยข้อปฏิบัติที่มีความสุขมิใช่บรรลุด้วยความทุกข์หรือด้วยข้อปฏิบัติที่เป็นทุกข์พระพุทธเจ้าตรัสเกี่ยวกับการปฏิบัติของพระองค์เองในมัชฌิมานิกายมูลปันนาและมัชฌิมานิกายมัชฌิมาปันนาทุกในกรณีนี้หมายถึงทุกข์เนื่องจากทุกกรากิริยา ไม่พึงสับสนกับทุกข์ขาปฏิปทาและสุขขาปฏิปทาซึ่งคำว่าทุกข์ในที่นั้นหมายถึงยากลำบากเท่านั้นพวกนิครนมีความเห็นว่าความสุขจะพึงรุถึงด้วยความสุขไม่ได้ความสุขจะพึงรุถึงได้ด้วยความทุกข์ดังนั้นพวกนิครนจึงบำเพ็ญตบะ ประธรรมอตตกิละมถานุโยคคือทรมานตนพระพุทธเจ้าเมื่อก่อนตรัสรู้ก็เคยทรงเข้าพระทัยอย่างนั้นจึงได้ทรงบำเพ็ญทุกรากิริยาเสียเวลาไปยาวนาน